คนเคยได้ยินชื่อนะประเทศภูธานหรือปูตานภูธานนี่เขานับถือพุทธศาสนาเหมือนกันนะแต่ว่าคนละอย่างจากบ้านเราของเราี่เทราวาสของภูธานนี่วัชระยานหรือพุทธศาสนาปฏิเบษคนภูธานเนี่ยเขานับถือพระทิเบตนะหลายองค์ทีเดียวนะแล้วก็องค์ที่มี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 ท่านทำยังไงรู้ไหมนะท่านก็เอาถุงเงินเนี่ยเทเอาเทเงินออกนะพวกเหรียญเหลือเนี่ยเอาออกแล้วก็อุจจาระใส่เข้าไปในถุงนั้นนะถ้าเป็นคนแบงแผลงนะก็อุจจาระใส่เข้าไปในถุงนั้นแหละเสร็จแล้วก็นอนหลับนะตกค่าเนี่ยตกดึกเนี่ยโจนก็มานะหัวหน้าโจนนี่ตรงมาเองเลย เพราะว่าชอบปล้นคนเดินทางพอมาถึงก็เห็นท่านยุกปะหลับอยู่ก็เลยล้วงแปวถุงเงินแล้วก็เปิดถุงเอามือล้วงเข้าไปพอร้ว่ล้วงเจออะไรก็ร้องโอ๊ยขี้นะตกใจมากนะสบัดมืออย่างแรงเพื่อให้ขี้มันกระเด็นหลุดมือแต่บกว่าก็สบัดพอสบัดมือมันก็ไปโดนพื้นไปโดนหิน ที่อยู่บนพื้นก็เจ็บเจ็บมากเลยเจ็บมากทาําไงก็เลยเรียกเอามือเนี่ยรียบอมมือเลยนะเอามือเนี่ยยัดใส่ปากเพื่อดูดนะให้มันหายเจ็บไงนะคนเราเวลาเจ็บมือเนี่ยนะเราก็เจ็บนิ้วเราก็จะดูดนะให้มันหายบอกว่าหายเจ็บเลยนะเมื่อรู้ว่าดูดอะไรเข้าไปนะทีแรกก็รู้นะว่าเป็นขี้ใช่ไหม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 ก็เลยฝากนายวิทเท์มันตรีว่าช่วยเอาลูกไปส่งด้วยลูกประมาณสักสองขวบสามขวบเอาลูกไปส่งที่เนสเซอรี่นะนายวิทเท์มันตรีก็รับปากนะไม่ยากอะไรอยู่แล้วเพราะทำเป็นกิจวัตรเบิร์นเช้าวันนั้นเนี่ยมีประชุมประชุมสำคัญด้วยในเทศบาลแล้วก็คงจอดรถช้า หรือว่ารถติดไม่ทราบนะก็ทำให้ถึงเทศบาลชา้ากว่ากาหนดเลยเวลาประชุมไปละในขณะที่ขับรถ ใ, ในทศส่วนจะคงจะคุณคิดถึงการประชุมและยิ่งรู้ว่าจะประชุมจะไปถึงที่ประชุมช้าก็รู้สึกร้อนใจมีความวิตกกังวลเพราะตัวเองเป็นประธานอยที่ประชุม่อนที่ขับรถที่ก็คิดถึงเรื่องประชุมนี่แหละนะกังวลด้วย พอถึงเทศบาล น, นะก็รีบจอดรถและวิ่งขึ้นไปยังห้องประชุมนะชั้นสองพอถึงก็ไปประชุมเลยเพราะมันเลยเวลาไปมากแล้วประชุมจนเสร็จเที่ยงก็ทำงานต่อนะจนเย็นนะสี่โมงเย็นพอเสร็จงานก็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 แล้วรนี้ก็จอดอยู่ตรงรนะิมถนนซะด้วยเจสตนายกเทศมนตรก็รีบลงมาจากรถแล้วก็เปิดประตูหลังปบอกว่าเด็กนี่นิ่งไปละเด็กหมดลมไปแล้วหมดลมไปเพราะว่าโดนแดดเผาขาดน้ํามากตายทําไมนายกเทศมนตรถึงเลวลืมเด็กนะแม่ฝากลูกเอาไว้ให้ช่วยไปส่งที่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 ว่าเมื่อสมัยก็้าง5 60ปีก่อนเนี่ยสมัยน้อยคนไทยเรายังใช้เหรียญสตังแดงนะสตังแดง1นึ่งสตังเนี่ยเดี๋ยวนี้1สลึงเราก็คงไม่ใช้กันแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยแค่สตังหนึสตังนี่ก็มีค่านะมันมีเหรียญนะเป็นเหรียญสตังหนึสตังเป็นทองแดงแม่ลูกอ่อนนี่ก็มีลูกตัวเล็กๆอายุ ยังกระตอกกระแตะอยู่เลยเนี่ราก็ว่าเด็กเผลอไปหยิบเหรียญหนึ่งสตังค์แล้วก็จับใส่ปากมันก็ไปติดคอเลยติดคอเด็กก็ร้องไห้แม่รู้เข้าก็ตกใจทำยังไงดีลนลาเลยเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่า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 เพอเอตายด้วยแม่ก็มีความรู้นะว่าทองแดงเนี่ยมันน้ํากรดเนี่ยมันกัดทองแดงได้นะแต่ว่าในยามที่ตกใจก็มองไม่ถี่ท่วนะว่าไอ้ทองแดงเนี่ยมันอยู่ในคอลูกนะน้ํากรดเนี่มันกัดทองแดงได้ก็จริงแต่ขณะเด็กกันก็กัดเนื้อหรือว่าลําคอด้วย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 แต่ว่าหลายคนเนี่ยด้วยความเคยชินนะพอถึงพอถึงจบที่สามนี่ก็ก็ยังนโมตัสสะภควะโตอรหะโตยาวไปเลยนะลืมไปว่ามันต้องมีแปลนะอันนี้ก็พอลืมตัวนะเพราะอะไรเพราะตอนนั่งใจลอยนะใจลอยก็เลยลืมไปว่าจบที่สามนี่มันต้องแปลด้วยนะไม่ใช่อ่าสวดแต่บาลีล้วน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 เป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะเป็นฟาแฝดนะสติกับสัมปชัญญะแต่ว่าบางทีเราก็เรียกลมๆกันว่าเราเรียกลมๆกันนะว่าสติรวมความรู้สึกตัวเข้าไปด้วยความรู้สึกตัวนี้สาคัญมากนะเพราะถ้าเรารู้สึกตัวได้ไวเราก็จะหลุดพ้นจากอารมณ์ที่มาเผาหลนใจเช่นความโกรธหรือว่าสิ่งที่อารมณ์มันบีบคั้นจิตใจ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 เพราะว่าเด็กเขาไม่ต้องใช้ความคิดมากคือเขาไม่คิดมากอาจารย์ประสงค์ปริปุโนโนท่านเนท่านเคยเล่าว่าเคยสนทนากับเด็กผู้หญิงคนนึงอายุ8ปขวบนท่านคงไปบรรยายที่โรงเรียนนะ น, นะแล้วก็บรรยายเสร็จก็เจอเด็กก็เลยคุยกันสนทนากันเด็กก็เป็นคนเด็กฉลาดน แล้วก็เรียกว่ารู้จักพูดอาจารย์ประสงค์ก็เลยบอกว่านหนูเป็นเด็กดีเด็กฉลาดนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูก็ยกก็ดึงรูก ป, ประคำขึ้นมาจากย่ามพอเด็กเห็นเด็กก็ร้องอู้ฮูพอาจารย์ประสงค์ก็เลยถามเด็กว่าหนูร้องอู้ฮูเนี่ยหนูเห็นอะไรเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูเห็น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 ไม่รู้วใครสอนนะเด็กก็บอกว่าเนี่ยหนูหนูไม่ทำอะไรกับมันหนูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้มันก็สงบลงแล้วมันเบาลงแล้วที่เราปฏิบัติมาก็ก็ใช้หลักสองหลักนี่แหละก็คือเห็นไม่เข้าไปเป็นแล้วก็รู้ซื่อๆนะที่จริงการจริญสติมันก็ไม่ยากอะไรนะเพียงแต่ว่าตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่น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 แล้วสติและความรู้สึกตัวนั้นก็จะไล่อารมณ์นั้นออกไปเองเอาเรียกว่าอารมณ์มันดับไปเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลนตุโลนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกแรกๆนัททำบารณภาผาไปสาสิบปีแล้วถามว่าหลวงปู่ทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดนะมีหลายคนเนี่ยไม่ชอบความโกรธเจอความโกรธทีไรก็อยากจะกดขมมันเพราะมันเผาใจ